เรื่องธรรมในที่รับสองเรื่อง224สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในที่สงัดกล่าวอวดอุตริมนุษยธรรมภิกษุผู้รู้ความคิดของผู้อื่นรูปหนึ่งตักเตือนท่านว่าท่านอย่ากล่าวอย่างนั้นเพราะท่านไม่มีธรรมเช่นนั้นภิกษุรูปนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือนอจึงนำเรื่องนี้ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปารชิกแต่ต้องอาบัติทุกกดวงเล็บเรื่องที่สิบเอ็ดสมัยนั้นภิกษุอีกรูปหนึ่งอยู่ในที่สงัดกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมเท พ, พดาตักเตือนท่านว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าอย่ากล่าวอย่างนั้นเพราะพระคุณเจ้าไม่มีธรรมอย่างนั้น ภิกษุรูปนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัติปาราชิกแต่ต้องอบัติทุกกฎวงเล็บเรื่องที่สิบสอง